สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง FM 106 นะคะคะดิฉันสังสลีนาพงศ์ดําเนินราย วันนั้นดิฉันได้ฟังท่านอาจารย์จัดการเป็นสังเกตตนดึก ตอนไหนคะออกอากาศตอนไหนคะเอ่อวิทยุประเทศไทย uh, FM 88 ตอนหลังข่าว 6:00 <อง> น. ก็ประมาณ 6:10 น. ของอ๋อเป็น 2 ภาษาเหรอคะเอ่อมันก็จะเอาเรื่องพุทธประวัติถึง 6:30 น. Uh, อ๋อค่ะหลัง ที่เป็นพุทธวจนะที่เป็นภาษาพระภาษาธรรมะเอ่อแล้วก็สัมภาษณ์อ่า 2 ภาษาด้วยก็จะอ่านภาษาไทยก่อนแล้วก็ตามด้วยภาษาอังกฤษตรงนี้ลึก นะเรื่องราวตรงนี้ขึ้นนั่นคือถ้าเราจะอ่านแต่เป็นภาษาไทยเนี่ยแต่คนอินเดียที่นู่นเค้าก็จะงงๆเชอะอืม เขาก็จะได้เข้าใจด้วยตรงนี้ก็จะได้เข้าใจด้วยตรงนี้ถ้าท่านพูดตอนนี้เปิดประเด็นออกมาได้ท่านเข้าใจว่าคนค่ะเอ่อก็มีใช่เอ่อเตรียม 11 เอ่อ 2557 นะ 2557 11 มีนาคม เอ่ออันนี้ก็ก็คือคณะท่านเต็มหรือยังคะรับได้เรื่อยๆทั้งหมดสักกี่คน จะติดต่อได้ตรงนั้นก็ที่นั่นเรื่องที่ไปไปอินเดีย 10 วันอ๋อเป็น oh. ที่เรียนด้วย 20 คนหรือป่านนี้อาจจะเลยแล้วก็ต้อง /106 ด้วยมั้ยคะ อ๋อค่ะ Google เขียนวัดป่าดอนหายโส wpdhs.org อันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลีกริยปฏิบัติธรรมะ P U อ่ะแล้วก็ในส่วนของตอนนี้ต่อกันไปได้ถูกแล้วก็ในส่วนของตอนนี้ดิฉันได้กราบเรียนถามท่าน 2 ประเภทนะที่ ปัจจัย 4 เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคอันนี้เป็นความเพียรที่ทําได้ยากใครก็ตามหาโภคทรัพย์มาได้ๆแต่ทํา<ใช> เพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นเครื่องก่อเพราะ 2 แบบมี 2 แบบค่ะเราดูคนๆเดียวกันอ่ะคนคน euh, คน คน. คนคน 2 คนคน 2 คนในในต่างในขาวก็เหมือนกันทํางานด้วยความขยันขันแข็ง แต่ว่าในดําเนี่ยทําด้วยปรารภเหตุๆว่าไปนะคือกาม แต่นี้ 2 คนไม่เหมือนกันนะแต่เห็นข้างนอกเนี่ยๆกันแต่ไม่เหมือนกันอ่ะต่อๆมีความสําเร็จต่างๆมากขึ้นแต 2 <c oughs> นะแล้วก็แบ่งกันเป็น นะ, นะ, นะ, นะ, 2 ฝ่ายนะทิ่มแทงกันเอ่อแล้วก็มีความบาดหมางทะเลาะทุบตีกันนะ ครับเอ่อถัดขึ้นไปกว่านั้นอีกนะการที่เป็นสงคราม 2 หรือครั้งไหนที่ๆเหล่านี้เกิดขึ้นๆเนี่ยเขาเห็น เอ๊ะมีปัญหามีการแบ่งแยกๆไปมันมันกลายเป็นสิ่งไม่ดี เราไม่ได้จะต้องโดนพายุเรา 20 ปีโดนครั้งนึงอะไรอย่างได้ถือว่า ในบ้านเมืองเราเนี่ยบางทีเราเจอปัญหาต่างๆเยอะแยะนะไม่ว่าจะจริงๆแล้วมันไม่ได้มาจากอะไรๆมันมันมาจากคนที่เราเองคือเรา ไอ้ที่ 2 3 ก้าวข้างหน้าถูกมั้ยไอ้ตัวที่สะดุดเราไม่ได้ล้มตรงที่ นะคุณสุดในชีวิตคุณเริ่มสึกตั้งแต่ตรงนี้ในตอนมันยัง<ใช> E แต่ว่าไอ้ความผิดพลาดมันไม่ได้มาผิดพลาดตั้งแต่แล้วคุณ ฤๅษีบ้านใหม่ซึ่งรถใหม่บ้านใหม่เนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นกามนะที่เราควรจะคิดพิจารณาได้ ให้ใจของเราเนี่ยได้ได้มีการกระทําน่ะเจริญ 4 ได้อย่างเงี้ยอ่าซึ่งค่ะเอ่อการจูงใจเหมือนกับโมติเวชั่นแล้วเราจึงเอามาทํา ซึ่งอ่าเดงเกอร์คิดว่าน่าจะให้สติกับพวกเราได้มาอ่า อ่าดิฉันเข้าใจมากที่สุดก็คือขออภัยนะคะเหมือน เงาบ่มที่ตัวเองเชื่อนะครับว่าทุกข์ที่ เราค่อยจะมาพูดถึงการเจริญภาวนาในวาระหลังแต่วาระตรงเนี้ยเรากำลังดูว่าเอ๊ะการดำเนิน ตัวนี้คือกับดักที่คุณวางไว้ให้ตัวเองต่อไปในค่ะเอ่ออะไรก็แล้วแต่ถ้าติด สู่บ้านใช่วันนี้ก็กราบ FM 106 พร้อมโปรด